3. วิมุตติกถา 23. ิว่าด้วยความหลุดพ้น6 3ส ก, กวาธีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปราวาธีใช่ส ก, กวาธีจิตที่ถรารคด้วยราคะเกิดพร้อมกับราคะระคนด้วยราคะสัมปยุทธ์ด้วยราคะมีพร้อมกับราคะเป็นไปตามราคะ เป็นอกุศลเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังกิเลตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีจิตมีภาษาหลุดพ้นได้ทั้งภาษาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญหาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและ จิตหลุดพ้นได้ใช so ่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีภาษามีราคะหลุดพ้นได้ทั้งภาษะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีราคะมีสัญญามีราคะมีเจตนามีราคะมีปัญญามีราคะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 4, ส6 4กสกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตที่สหรคตด้วยโทสะเกิดพร้อมกับโทสะระคนด้วยโทสะสัมปยุทธ์ด้วยโทสะมีพร้อมกับโทสะเป็นไปตามโทสะเป็นอกุศลเปโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีภาษะหลุดพ้นได้ทั้งภาษะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจิตมีผัสสะมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโทสะ eh, หลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีโทสะมีสัญญามีโทสะมีเจตนามีโทสะมีปัญญามีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น365ร้กสกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่ถอดรักด้วยโมหะเกิดพร้อมกับโมหะระคนด้วยโมหะสำประยุทธ์ด้วยโมหะมีพร้อมกับโมหะเป็นไปตามโมหะเป็นอกุศลเป็นโลคิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีภัสสะหลุดพ้นได้ทั้งภัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที จิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีโมหะมีสัญญามีโมหะมีเจตนามีโมหะมีปัญญามีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหมดกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า จิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพน้นได้วิมุตติกถาจบ 4. วิมุตจะมานาคถา24่ว่าด้จิตกำลังหลุดพน้น366กสกกวาทีจิตที่หลุดพน้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพน้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที จิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลเป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงผู้ได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลได้กายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่เป็นพระโสดาบันผู้สัตตะขัดตุปธรมะ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 สกวาทีบุคคลเป็นพระสกทาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาคามีเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผสัสอนาคามีผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผสัสด้วยกายอยู่เป็นพระอนาคามีผู้อันตาราปรินิพพายีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี ผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุดทางโสโตโอกนิทคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตโอกนิทคามีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจิตหลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปราวาทีใช่ ศักวาทีบ er ุคคลเป็นพระอรหันตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตหลุดพ้นแล้วในขณะเกิดชื่อว่ากำลังหลุดพ้นในขณะดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น367ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าจิตที 2> 2> ่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากาลังหลุดพ้น ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคล น, นั้น ร, รู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะบ้างจากภวาสะวะบ้างจากอวิชชาสะวะบ้างมีอยู่จริงไม่ใช่หรือส ก, กวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นจิตที่หลุดพ้นแล้วจึงชื่อว่า กำลังหลุดพ้นสกวาธีจิตที่หลุดพ้นแล้วที่ว่ากําลังหลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าบุคคล น, นั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราตจากความเศร้หมองอ่ อ, อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวยอย่างนี้ยอมน้อม จิตไปเพื่อยานเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นสกวาทีจิตที่กำลังหลุดพ้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่กำลังกำหนัดขัดเคืง่ง หลงเศร้าหมองมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ค LIKE like วรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่กำหนัดและไม่กำหนัดขัดเคืองและไม่ขัดเคืองหลงและไม่หลงขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถูกปัจจัยปรุงแตง่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ <al im> <outro> สกวาทีหากจิตที่กำหนัดและไม่กำหนัด ขัดเคืองและไม่ขัดเครืองหลงและไม่หลงขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่กําลังหลุดพ้นมีอยู่วิมุตจะมานะกะถาจบ 5. ้าอัฐมกกะกะถา25ว่าด้ยบุคคลที่8 368 สกวาทีบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุดฐานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทําให้แจ้เข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่แปด และวิจิกิจฉาปริยุท ธ, ธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงสัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกาอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดละทิฐิปริยุท ธ, ธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีบุคคลที่แดละทิธานุสัยได้แล้วใช่ ah fishy, right หไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่ปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉานุสัยศีลพรตปรามาศได้แล้วใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีบุคคลที่และวิจิกิจฉาปริยุทธฐานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลที่และวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธฐานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธี บุคคลที่แปดละทิฏฐานุัยสีลพตปรามาสได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดยังละทิฏฐานุใสไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดยังละทิฏฐาปริยุทธันไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาทีบุคคลที่แปดยังละทิฐานุสัยไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดยังละวิจิกิจฉาปริยุทธฐานไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดยังละวิจิกิจฉานุสัยศีลปัตตปรามาตไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาที บุคคลที่8ปดยังละทิฏฐิปริยุดฐานไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลที่8ปดยังละสีลพัตปรามาตไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลที่8ปดยังละวิจิกิจฉาปริยุดฐานไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสาม ักวาธีบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุท ธ, ธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักว า, าธีบุคคลที่แปดเจริญมรรคเพื่อละทิฐิปริยุท ธ, ธานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธี บุคคลที่8เจริญสติปัฏฐานสมปัฏฐานโพชฌงเพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เจริญมัตเจริญโพชฌงเพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธานใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักกวาทีบุคคลที่8ไม่เจริญมั้งเพื่อละทิฏิปริยุท ธ, ธานใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ละทิฐิปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวะธรรมที่มิใช่มั้งเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงเพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่ม่ใช่มรรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาทีบุคคลที่แปดไม่เจริญมรรคไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงเพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่มิใช่มรรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อเจ็ดสิบประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธฐานได้แล้วใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีทิฏฐิปริยุทธฐานจะเกิดขึ้นใช่ไหมสกวาทีจะไม่เกิดขึ้นประวาทีหากจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า บุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่แปละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีวิจิกิจฉาปริยุทธานจะเกิดขึ้นใช่ไหมส ก, กวาทีจะไม่เกิดขึ้นปรวาทีหากจะไม่เกิดขึ้นดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลที่และวิจิกิจฉาปริยุท ธ, ธ์ฐานได้แล้วสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุท ธ, ธ์ฐานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่และทิฏฐิปริยุท ธ, ธ์ฐานได้แล้วใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐานุสัยจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8 จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุท ธ, ธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุท ธ, ธานได้แล้วใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาที เพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉานุสัยศีรัปตปรามาสจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่และวิจิกิจฉานุสัยศีรัปตปรามาสได้แล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ด ละวิจิกิชาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมพระวาทีใช่สกาวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิชาศีระประัปปารามาจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แจึงยอมรับว่าบุคคลที่8ปดพระวิจิกิชานุใสศีรประจัปปารามาได้แล้วใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะท่านเข้าใจว่า ทิฏฐิปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่และทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่โคตรภูบุคคลจึงยอมรับว่าโคตรภูบุคคลละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาประยุท ธ, ธ์ฐานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่และวิจิกิจฉาประยุท ธ, ธ์ฐานได้แล้วใช่ไหมปารวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาประยุท ธ, ธ์ฐานจะไม่เกิดขึ้นแก่โคตรภูบุคคลจึงยอมรับว่า โคตรภูบุคค ล, ลวิจิกิจฉาปร r ยุธ u า h ได้แล้วใช่ไหมปรรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัธรมกะกถาจบ 6. อัธรมกัศสอินทริยะกถา26ว่าด้วยอินทรีของบุคคลที่8 371สกวาทีบุคคลที่8ไม่มี สตินซีใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่แปดไม่มีจตทาใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่แปดไม่มีวิริยินรีไม่มีสตินซีไม่มีสมาธินรียไม่มีปัญญินรียใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่แปดไม่มีปัญญาใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีศรัทธาใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลที่แปดมีสัจทินรียใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลที่แปดมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่ัสกวาที บุคคลที่แปดมีปัญญินสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีมโนมีมนินสีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดมีศรัทธามีสัจทินสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีมโนมีมนินสีใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดมีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีโสมนัสมีโสมนัสสินทรีมีชีวิตมีชีวิตสินทรีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปด มีศรัทธามีศรัทธินสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ดมีชีวิตมีชีวิติตตนทรีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีวิริยะมีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธา แต่ไม่มีสัตินสีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ดมีมโนโแต่ไม่มีมณินสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ดมีศรัทธาแต่ไม่มีสัตินสีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ดมีโสมนัสแต่ไม่มีโสมนัสสินรี มีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทร์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดมีมโนแต่ไม่มีมนินทร์สี่มีโสมนัสแต่ไม่มีโสมนัสสินทรี่มีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตินทร์สี่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดไม่มีสัจทินรีใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลที่แปดไม่มีศรัทธาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลที่แปดไม่มีวิริยินรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่ ักาวาทีบุคคลที่แปดเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีบุคคลที่แปดไม่มีสตินทีใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาทีบุคคลที่แปดเป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาที บุคคลที่แปดไม่มีสมาธินีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดเป็นผู้ไม่มีสมาธิมีจิตวันไหวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดไม่มีปัญญินี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดเป็นผู้ด้อยปัญญา เป็นผู้หนวกใบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลที่แปดมีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักกวาทีหากบุคคลที่แปดมีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลที่แปดไม่มีสัจเิน 4. สี่สกวาที บุคคลที่8ดมีความเพียรและความเพียรนั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์มีสติและสตินั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์มีสมาธิและสมาธินั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์มีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลที่แปดมีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลที่8ไม่มีปันยินที่สามร้ยเจ็ดสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธามีสัตถินรียใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธามีสัตถินรียใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล มีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปมีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลมีศรัทธามีสตินทรีมีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่แปดมีปัญญามีปัญญินทรีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปดมีศรัทธาแต่ไม่มีสัตินทรียใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธาแต่ไม่มีสัตินทรีย์ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่ปญญแปด ม, ม, มีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรียใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่แปด มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตินสมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินสียใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลอรหัตตผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินรียใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีอินทรีห้าใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าพิกจุดทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตตินีสองวิริยินี 3. สามสตินีี 4. สมาธินีห้าปัญญี พิสูจทั้งหลายอินทรีย์าประการนี้แลบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหันตผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหันตผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลนั้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์เพรามีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่มีอินทรีย์ห้าประการนี้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุตชนมีอยู่จริงมิเช่หรือประวัติใช่สกาวาทีบุคคลที่แปดเป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายผูุ้ชนใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นบุคคลที่แปดจึงมีอินทรีย์ห้าอัธรรมกัตสะอินทริยกัถาจบเจ็ดทิพจักขุกัถายี่สิบเจ็ดว่าด้วยทิพยจัก 3, สุขสามร้อเจ็ดสิบสามสกวาที มังสะาจากสักรสุตาเนื้อที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักรสุตาทิพใช่ไหมเปรวาทีใช่สกวาทีมังสะาจาักรสุคือทิพยจักรสุทิพยจักร ส, สุก็คือมังสะาจากสักรสุใช่ไหมเปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะาจาักรสุที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักรสุได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีมังสะจัตตุมีสภาพอย่างไรทิพยจัตตุก็มีสภาพอย่างนั้นทิพยจัตตุมีสภาพอย่างไรมังสะจัตตุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจัตตุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจัตตุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ ักวาธีมังสะจักสุกับทิพยจักสุเป็นอันเดียวกันทิพยจัคสุกับมังสะจัคสุก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีมังสะจัคสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักสุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีวิสัยอานุภาพโคจรของมังสะจัคสุมีสภาพอย่างไร วิสัยอนุภาพโคจรของทิพยจักรสุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาจักรสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักรสุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาจักรสุเป็นสภาวธรรมที่กามันประกอบได้ตันหาทิฏฐิยึดถือแล้ว เป็นสภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุเป็นสภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที มังสะจักสุเป็นกามาวจรแล้วเป็นบรูปาวจรได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจัตสุเป็นกามาวจรแล้วเป็นบรูปาวจรได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมังสะจักสุเป็นบรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที มังสาจักสุเป็นรูปราวจรแล้วเป็นอรูปราวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาจักสุเป็นสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตทุแล้วเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น374 ร, รสิบกวาทีมังสาจักสุที่ทำ อุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิพยจักษุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นมังสะจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุก ท, ที่ทำ fun fun อุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ทิพยจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นปัญญาจักสุคือตาปัญญาได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยจักสุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิพยจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นปัญญาจักสุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิปยยจักสุได้ใช่ไหมป ร, รวาธีใช่สกวาทีจักสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีจักสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมป ร, รวาธีใช่สกวาธีจักสุพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่ามีสามอย่าง คือมังสะจักสุทิพยาจักสุและปัญญาจักสุมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากจักสุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสมอย่างคือหนึ่งมังสะจักสุสองทิพยาจักสุสปัญญาจักสุท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจักสุมีสองอย่างเท่านั้นสกวาทีจัคสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายจักสุตรนี้มีสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งมังสะจักสุ 2. สองทิพยาจักสุ 3. ปัญญาจักสุจักษุมีสามอย่างนี้แลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษ ได้ตรัสจักรสุสามอย่างคือมังสะจักรสุทิพยาจักรสุและปัญญาจักรสุอันยอดเยี่ยมความเกิดขึ้นแห่งมังสะจักรสุเป็นทางแห่งทิพยาจักรสุเมื่อใดยานคือปัญญาจักรสุอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อนั้นยอมหลุดพ้นจากทุกทั้งพวงได้เพราะได้ปัญญาจักรสุมีอยู่จริงมิเชื่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาที ดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจัตุมีสองอย่างเท่านั้นทิพจักขุกกถาจบ8ทิพโสตะกถา28ว่าด้วยทิพยโสตะ375สกวาทีมังสาโสตที่ทำอุบธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที มังสะโสตคือทิพยโสตะทิพยโสตะก็คือมังสะโสตะใช่ไหมเปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะโสตที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมเปรวาทีใช่สกวาทีมังสะโสตมีสภาพอย่างไรทิพยโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นทิพยโสตะมีสภาพอย่างไร มังสาโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีมังสาโสตะที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักกวาทีมังสาโสตะกับทิพยโสตะเป็นอันเดียวกันทิพยโสตะกับมังสาโสตะก็เป็นอันเดียวกันใช่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิสัยอนุภาพโคจรของมังสาโสตะมีสภาพอย่างไรวิสัยอนุภาพโคจรของทิพยโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีมังสาโสตะที่ทําอุบธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีมังสาโ ส, สตะเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธี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 มังสะโสตเป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีม <üllt> okay. ังสะโสตเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะโสตเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที มังสาโสตะเป็นสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตถทุก์แล้วเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น376ร้จ็กกวาทีมังสะโสตะที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ทิพยโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นมังสะโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหม ปราวาทีใช่ส ก, กวาทีโสตะพระผู้มีพระภา ค, ราคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตมเเะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นทิพโสตะกถาจบ กยถากรร ม, มูปคคตาญาณกถา29ว่าด้วยยถากรร ม, มูปคคตาญาณว่าด้วยยถากรร ม, มูปคคตาญาณสามรสกวาทียถากรร ม, มูปคคตาญาณเป็นทิพยจักษุใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคล มนสัสิการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจัก <then> รุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลมนัสิการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักรสุใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งปัสสสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทียถากรร ม, มูปคตยานเป็นทิพยจักรสุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมนานสิการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอมนานสิการว่าประกอบกายทุจริตมนานสิการว่าประกอบวจีทุจริตมนานสิการว่าประกอบมโนทุจริต มนัสิการว่าเป็นผู้กล่าวร้ายพระอริยะมนัสิการว่ามีความเห็นผิดมนัสิการว่าชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดและมนัสิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในอาบายทุกติวินิบาตเนรก บ, บุคคลมนัสิการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้มนัสิการว่า ประกอบกายสุจริตมณสิการว่าประกอบวจีสุจริตมณสิการว่าประกอบปโนสุจริตมณสิการว่าไม่กล่าวร้ายพระอริยะมณสิการว่ามีความเห็นชอบมิมณสิการว่าชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบและมณสิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ เห็นรูปด้วยทิพยจักรสุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลมนานัิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในสุขคติโลกสวรรค์เห็นรูปได้ด้วยทิพยจักรสุใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีมีการประชุมแห่งภัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส7 8สกวาทียะถากรรมมูปคตายานเป็นทิพยจักสุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบางคนไม่มีทิพยจักสุไม่ได้ไม่บรรลุไม่ได้ทาให้แจ้งทิพยจักสุแต่รู้ว่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีหากบางคนไม่มีทิพยจักสุไม่ได้ไม่บรรลุไม่ทำให้แจ้งทิพยจักสุแต่รู้ว่าสัตผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจะถากร ม, มูปคาตญาณเป็นทิพยจักสุสกวาทีจะถากร ม, มูปคาตญาณเป็นทิพยจักสุใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาที ท่านระษารีบุตรผู้รู้ยถากรรมมูปะคตยานใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีหากท่านภาษารีบุตรรู้ยถากรรมมูปะคตยานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายถากรรมมูปะคตยานเป็นทิพยจักษุสกวาทียถากรรมมูปะคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่ ักาวาทีท่านระษารีบุตรรู้ยถากรรมูปคัตตยานใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีท่านระสาราบุตรมีทิพยาจักสุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีท่านระสาราบุตรมีทิพยาจักสุใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาทีพระสูตรที่ว่า ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราไมา่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อปุเพนิวาสยานทิพจักขุยานเจโตปริยานอิทิวิทยานทิพโสตยานและจตูปป า, ปาตยานมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาที ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ายะถากรร ม, มูปคตญาณเป็นทิพยจักสุยะถากรร ม, มูปคตญาณกระถาจบ